ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยะสังขหะอัตตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวสีลังการชนนาพระมหาอาคมธรรมขาขโมแปลเรื่องที่ยี่สิบสี่สีมาวินิชยะกถากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องสีมา ในคําว่าสีมานี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ชื่อว่าสีมานี้มีสองอย่างคือพัตตสีมาหมายถึงเขตแดนที่ผูกขึ้นหนึ่งอภัตตสีมาหมายถึงเขตแดนที่ไม่ได้ผูกขึ้นหนึ่งในสีมาสองอย่างนั้นสีมาที่สงสมมติเว้นสีมาวิบัติสิบเอ็ดย่างประกอบด้วยสีมาสมบัติสามประการเชื่อมนิมิตกับนิมิต ชื่อว่าพัทธสีมาก็คือสีมาที่ผูกด้วยกรรมวาจาสีมาเหล่านั้นชื่อว่าสีมาวิบัติเพราะพระบาลีว่ากรรมทั้งหลายย่อมวิบัติโดยสีมาด้วยอาการสิบเอ็ดอย่างนี้คือสีมาเล็กเกินไปหนึ่งสีมาใหญ่เกินไปหนึ่งสีมามีนิมิตขาดหนึ่งสีมามีเงาเป็นนิมิตหนึ่งสีมาที่หานิมิตไม่ได้หนึ่ง สีมาที่สงอยู่ภายนอกสีมาสมุติหนึ่งสีมาที่สงสมุติในแม่น้ำหนึ่งสีมาที่สงสมุติในสมุดหนึ่งสีมาที่สงสมุติในชาติสระหนึ่งคือสระที่เกิดเองสีมาที่สมุติคาบเกี่ยวกับสีมาของผู้อื่นด้วยสีมาของตนหนึ่งสีมาที่สมุติทับสีมาของผู้อื่นด้วยสีมาของตนหนึ่งอันนี้เป็นสีมาวิบัติถ้ามีอาการสิบเอ็ดอย่างนี้ เป็นสีมาวิบัติใช้ไม่ได้ถ้าทำกรรมในสีมาเหล่านี้กรรมนั้นเป็นกรรมวิบัติเหมือนกันถึงสร้างวินิจฉัยในสีมาวิบัติเหล่านั้นดังต่อไป น, นี้ภิษสุยี่สิบเอ็ดรูปไม่อาจนั่งในสีมาใดสีมานั้นชื่อว่าสีมาเล็กเกินไปเพราะว่าใช้ทำกรรมที่ใช้พระพิษสุมากที่สุดไม่ได้กรรมที่ใช้ พ, พิษสุมากที่สุดก็คืออัพพาน ต้องใช้พระวิสุทธ์ยี่สิบรูปขึ้นไปจึงจะสามารถทําอภารได้พระวตสุทที่ต้องอบัติสำคัญที่สุแล้วก็จะทําให้บริสุทธิ์แต่บรุทก็ต้องทอําอภานหลังจากที่อยู่ปริวาสมาดับแล้วเนี่ยนะเราใช้พระวิสุทธ์ยี่สิบรูปมาทํากรรมให้เพราะฉะนั้นถ้าสีมาใดจพุพระวิสุทธยี่สิบเอ็ดรูปไม่ได้เพราะว่าพระวิุทธยี่สิบรูปอันนั้นเป็นคณะปุรกะแต่ว่าพระวตุที่ออก มานั้นออกกับทานนี่และเป็นผู้ที่ทำกรรมก็เลยรวมเป็นยี่สิบเอ็ดรูปอย่างน้อยถ้าบรรจุยี่สิบเอ็ดรูปไม่ได้ก็เรียกว่าสีมาเล็กเกินไปสีมาใดอันสงสมุติเกินสามโยต์แม้เพียงปลายเส้นผมสีมานั้นชื่อว่าสีมาใหญ่เกินไปใหญ่สุดต้องไม่เกินสามโยต์สามโยต์ก็เท่าไงสี่สิบแปดกิโลเมตรอะสีนะ่แปดกิโลเมตรเนาะ คงไม่มีใครทำสีมาใหญ่ขนาดนี้นะสีมามีนิมิตที่ทักไม่เชื่อมต่อถึงกันเรียกว่าสีมามีนิมิตขาดพิกตุทักนิมิตในทิศตะวันออกแล้วทักนิมิตในทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือเวียนกันตามลําดับแล้วกลับมาทักซ้ํานิมิตที่ทักไว้ก่อนในทิศตะวันออกอีกแล้วหยุดจึงควร ด้วยการทักอย่างนี้สีมาย่อมจัดเป็นแดนที่มีนิมิตไม่ขาดก็ถ้าว่าทิสุทักนิมิตวนมาตามลําดับแล้วทักนิมิตในทิศเหนือแล้วหยุดเพียงทิศเหนือนั่นเองสีมาย่อมชื่อว่ามีนิมิตขาดเพราะฉะนั้นเวลาทิศทักนิมิตก็จะต้องมาทักนิมิตตามกับนิมิตอันเดิมที่ทักครั้งแรกจึงจะเรียกว่าสีมาไม่มีนิมิตขาดสีมาใดที่สงสมุติ จัดเอาต้นไม้มีเปลือกแข็งก็ดีต่อไม้ก็ดีกองดินร่วนกองดินทรายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีซึ่งใช้เป็นนิมิตไม่ได้ให้เป็นนิมิตอันหนึ่งในระหว่างสีมานั้นชื่อว่าสีมามีนิมิตขาดแม้อีกอย่างหนึ่งสีมาที่สงสมมุติทักเอาเงาอย่างใดอย่างหนึ่งมีเงาภูเขาเป็นต้นให้เป็นนิมิตชื่อว่าสีมามีเงาเป็นนิมิต เพราะฉะนั้นสีมามีนิมิตขาดมีสองอย่างก็คือทักนิมิตแล้วไม่ได้มาทักซ้ำนิมิตที่ทักไว้อันเดิมเพราะฉะนั้นนิมิตนั้นก็ไม่จดถึงกันอันนี้ก็เรียกว่านิมิตขาดอย่างหนึง่งหรือว่าเอาต้นไม้ที่มีเปลึกไม้แข็งตอไม้กองดินร่วนหรือว่ากองดินทรายมาเป็นนิมิตอันนี้ไม่ชื่อว่าเป็นนิมิตเหมือนกันก็เลยเรียกว่าเป็นนิมิตขาดเอาพวกไม้เปลึกแข็งเหล่านี้มาเป็นนิมิตอย่างใดอย่างหนึง่ง เป็นิมิตอันหนึ่งในนิมิตทั้งหลายเหล่านั้นนั้นเวลาที่ชี้นิมิตแล้วก็สมุติสีมานิมิตนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นนิมิตเพราะฉนั้นก็เรียกว่าเป็นสีมาที่มีนิมิตขาดแล้วก็เอาเราเป็นนิมิตก็ไม่ได้เอาเราเป็นนิมิตก็สีมาก็วิบัติเหมือนกันสีมาที่สองสมมติไม่ทักนิมิตทั้งหลายโดยประการทั้งปวงก็เรียกว่าสีมาหานิมิตไม่ได้ก็ไม่มีการทักนิมิตเลย ก็ใช้ไม่ได้จะผูกสีมาต้องมีนิมิตสีมาอันที่ตุทักนิมิตแล้วสถิตอยู่ภายนอกแห่งนิ ม, มิตสมมติเรียกว่าสีมาอันสงอยู่ภายนอกสีมาสมมติก็คือเวลาทักนิมิตนี่ต้องไปอยู่ด้านในนิมิตแล้วก็สวดกรรมาวาจาก็ต้องอยู่ภายในนิมิตถ้าไปอยู่ภายนอกนิมิตแล้วก็สวดกรรมาวาจาอันนี้ก็เรียกว่า เป็นสีมาวิบัติเพราะว่าสองอยู่ภายนอกสีมาสมุติเพราะว่าเวลาที่ทักนิมิตนั้นน่ะนิมิตอยู่ขอบเขตแค่ไหนภายในนิมิตทั้งหมดอันนั้นแหละจะเป็นสีมาต้องไปอยู่ด้านใดแล้วก็ส่วนสมุ ต, สมติสีมาที่สมุติในน่านน้ำมีแม่น้ําเป็นต้นเหล่านี้ชื่อว่าสีมาสมุติในแม่น้ําในสมุทรในชาติอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเขามี แม่น้ําสีมาอยู่แล้วนะสีสีมาชั่ววักน้าําศาสตร์ที่สู่บริ ษ, ษ, ษัทที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยวักน้ําสร์ออกไปโดยรอบอันนั้นก็เป็นสีมาอยู่ในตัวอยู่แล้วเรียกว่าอภัร์ตเสีมาเพราะฉะนั้นไปสมมติสีมาในแม่น้ํำ่็ไม่เป็นอันสมมติหรอกในสมุดในชาติ ส, สตว์ก็เหมือนกันก็สีมานั้นแม้สอสมมติอย่างนั้นย่อมไม่เป็นอันสมุติเลยก็คือไม่เป็นอันที่จะเป็นสีมาเพราะว่าเขาก็เป็นสีมาของเขาได้อยู่แล้ว ก็พระบาลีว่าดูก่อนพิกสุทั้งหลายแม่น้ำทั well. ้งปวงไม่ใช่สีมาสมุดทั้งปวงไม่ใช่สีมาชาติสัตว์ทั้งปวงไม่ใช่สีมาไม่ได้เป็นสีมาที่ใช่ผูกแต่ว่าสามารถอนุญากรรมสีมาที่เป็นอภัตตสีมาได้ดย่างนี้สีมาที่สมุติขาบเกี่ยวสีมาของพิกสุทัาอื่นด้วยสีมาของตนชื่อว่าสีมาที่สมุติขาบเกี่ยวสีมาด้วยสีมา ก็คือเกี่ยวเนื่องกันเอานิมิตไปอยู่ในตีมาของกันและกันนิมิตของแต่ละตีมาไปเกี่ยวข้องกันก็เลยเรียกว่าค่าเกี่ยวก็ทาว่าในทิศตะวันออกแห่งวิหารเก่ามีต้นไม้อยู่สองต้นคือต้นมะม่วงต้นหนึ่งต้นว่าต้นหนึ่งมีค่าคบค่าเกี่ยวถึงกันและกันในต้นมะม่วงและต้นว่าต้นว่าอยู่ในทิศตะวันตกของต้นมะม่วง และวิหารสีมาเป็นแดนที่พิจุกันเอาต้นว่าไว้ภายในกําหนดเอาต้นมะมว่วงเป็นนิมิตผูกเอาไว้ครั้นภายหลังพิจุกทั้งหลายจะผูกสีมาในวิหารที่สร้างใหม่ในทิศตะวันออกแห่งวิหารเก่านั้นจึงกันเอาต้นมะมว่วงไว้ภายในกําหนดเอาต้นว่าเป็นนิมิตแล้วผูกสีมากับสีมาย่อมคาบเกี่ยวกันเพว่าต้นว่าเป็นนิมิตของสีมาอันหนึ่ง แต่ว่ามีต้นมะม่วงอยู่ข้างในสีมานั้นแล้วก็ต้นมะม่วงก็เป็นนิมิตของสีมาอีกอันนึงแต่ว่ามีต้นว่านอยู่ภายในของสีมาอีกอันหนึ่งก็เป็นสีมาที่ค้าดเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นถ้าสีมาของวิหารที่สร้างก่อนยังไม่ได้สมมติสีมาพึงเว้นอุปจาระแห่งสีมาไว้ถ้าสมมติสีมาแล้วพึงเว้นสีมันตริกสีมันตริกก็หมายถึงช่องว่าระหว่างสีมา ซึ่งเขากาหนดว่าประมาณสอบหนึ่งโดยกําหนดอย่างต่ำที่สุดจะต้องเว้นเขตเอาไว้ที่มันติริกหมายถึงรถช่องว่างระหว่างขีมาเนี่ยแต่ในกรุนทีกล่าวว่าจำ ก, กันไว้เพียงหนึ่งคืบก็ได้คืบหนึ่งก็ได้เว้นห่างแต่ว่ามันเล็กน้อยเกินไปอะ่ะส่วนในมหาปัญจเรีกล่าวไว้ว่าจำ ก, กันไว้เพียงสี่นิ้วก็ควรอันนี้ยิ่งเล็กมากเลยนะ เพาะฉะนั้นก็อันตรายแต่ว่า เ, าเว้นไว้สีนิ้วนี่ประชูว่าสมมุติสีมาสำเร็จแล้วใช้ได้แล้วนะแต่ว่ามันจะมีต้นไม้มีอะไรมาเกี่ยวข้องกันเดียวก็จะต้องมาชมําระใหม่เพราะฉะนั้นก็เว้นไว้ห่างๆก็ควรอันหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นนิมิตของสีมาสองแหนข้อต้นไม้นั้นเมื่อตโตขึ้นย่อมกระทําให้สีมาสังกละเพราะฉะนั้น จึงไม่ควรทำต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นนิมิตของสีมาสองแห่งเพราะว่าเมื่อสมมติสีมาใช้ต้นไม้แล้วเนี่ยต้นไม้ก็ อ, อยู่ภายนอกสีมาเพราะฉะนั้นต้นไม้ของสีมาหนึ่งก็จะไปอยู่ในสีมาหนึ่งก็กลายเป็นสีมาข้าเกี่ยวกันเหมือนกันเป็นสังขละกันไม่ควรจะใช้ต้นไม้ต้นเดียวกันเป็นนิมิตของสีมาทั้งสอง สีมาที่พิกจุสมมุติครอบสีมาของพิจุเหล่าอื่นด้วยสีมาของตนชื่อว่าสีมาที่พิกษุสมมุติครอบสีมาของพิกจุเหล่าอื่นด้วยสีมาของตนก็ถ้าว่ากันเอาพัทธสีมาของพิจุเหล่าอื่นทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งพัทธสีมานั้นไว้ภายในสมมติสีมาของตนชื่อว่าสีมากับสีมาย่อมทับกัน เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรไปสมมุติสีมาทับสีมาของคนอื่นถ้าสมมุติสีมาทับสีมาของคนอื่นมีบริเวณบริเวณที่ทับกันเนี่ยนะทิสุสามารถที่จะทํากรรมได้ถึงจะเรียกว่าเป็นการสมมุติสีมาทับสีมาแต่ถ้าทํากรรมไม่ได้อันนี้เรียกว่าเป็นสีมาคาาเกี่ยวเพราะว่ามันคาบเกี่ยวก็เข้าไปอยู่ในแดนของกันและกัน มีนิมิตอยู่ในสีมาของกันและกันแต่ว่าถ้าทำกรรมได้เมื่อไหร่ก็เรียกว่าเป็นการครอบสีมาทักสีมาทิกสุจากสมมติสีมาของพิกสุทั้งหลายครอบสีมานามพิกษณีทั้งหลายไว้ในภายในก็อบควรแต่ถ้าเป็นสีมาของนามพิกษณี น, นี่สีมาของพิสุไปทับได้ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่เกี่ยวกันกรรมของพิสุกับพิกษูนีนั้นไม่ได้เป็นการกระทากรรมร่วมกัน ภิษุจะมาเข้าหัทบาทของภิกษุณีหรือพิษุณีจะเข้าหาทบาทของพิกษุนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกันจะได้ทำกรรมร่วมกันในการที่นางพิกษุณีทั้งหลายสมมติสีมาครอบสีมาของพิษุทั้งหลายก็ในนี้แหลก็คือทำได้จึงอยู่พิสุและพิกษุณีเหล่านั้นไม่เป็นคณะภูริกะในกรรมของกันและกันและไม่ทากรรมมวาจาให้เป็นวั ที่ตู่ว้นสีมาวิบัติสิบเอ็ดอย่างเหล่านี้ด้วยประการชนี้แล้วพึงสมมุติสีมาเถิดอันนี้ก็เป็นสีมาวิบัติสิบเอ็ดประการโดยที่อาจจะเป็นนิมิตบกพร่องไปใชใ้เงาเป็นนิมิตรหรือว่าสมมุติสีมาทับหรือว่าคล่อมสีมาต่างๆต่อไปชื่อว่าสีมาที่ประกอบด้วยสมบัติสามสตางค์คือประกอบแล้วด้วยนิมิตสมบัติอย่างหนึ่ง ปริะสมบัติอย่างหนึ่งแล้วก็กรรมวาจาสมบัติอย่างหนึ่งในสมบัติทั้งสามอย่างนั้นชื่อว่าสีมาที่ประกอบด้วยนิมิตสมบัติได้แก่สีมาที่พิษุสมมติกำหนดโดยชอบซึ่งวัตถุอันใช้เป็นนิมิตได้ตามที่ได้แล้วในนิมิตทั้งแปดอย่างนิมิตคือเครื่องหมายที่จะทำเป็นสีมามีแปดชนิดด้วยกันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจตรัสไว้อย่างนี้ว่า ปัจพัสนิมิตอย่างหนึ่งก็คือเอาภูเขาเป็นนิมิตปาสานานิมิตอย่างหนึ่งก็เอาก้อนหินเป็นนิมิตวานานิมิตอย่างหนึ่งก็คือเอาปากเป็นนิมิตรุกขานิมิตอย่างหนึ่งคือเอาต้นไม้เอาต้นไม้ต้นเดียวเป็นนิมิตมารคานิมิตอย่างหนึ่งก็คือเอาหนทางเป็นนิมิตวามิกาณิมิตคือเอาจอมปลวกเป็นนิมิตนทีนิมิตก็คือเอาแม่น้ำเป็นนิมิตอุทกานิมิตก็คือเอาน้ำเอาน้ำแบบตัวเอาน้ำใส่หลุม หรือว่าเป็นแองเล็กๆอันนี้ก็เป็นนิมิตได้เหมือนกันแต่อย่างนี้เนี่ยทำให้เป็นนิมิตในทิาภาคนั้นๆโดยในเป็นต้นว่าพระวินัยทรพึงทักว่าปุรักิมายะนิสายะเกิงนิมิตตังในทิศตะวันออกมีอะไรเป็นนิมิตนี่ก็เป็นการทักของพระวินัยทรเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งตอบว่าตับบะโตพันเตภูเขาเป็นนิมิตเจ้าข้า หรือว่าปัปปโตพันเตนิมิตังพระวินัยทรก็พึงระบุซ้อนอีกว่าเอโสปัปะปะโตนิมิตังภูเขานั่นเป็นนิมิตอันนี้ก็เป็นวิธีการในการทักนิมิตในเรื่องนี้มีวินิจฉัยกันต่อไปนี้พระวินัยทรพึงถามว่าบุรัตติมายะนิสายะกิงนิมิตังในทิศตะวันออกมีอะไรเป็นนิมิต เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งตอบว่าปรัชโตพันเตภูเขาเจ้าข้าก็อุปสัมบานหรือว่าอนุสัมบานจะบอกนิมิตนั้นก็ควรทั้งนั้นแหลคือจะให้พระพิตุเป็นผู้ที่บอกก็ได้พระพิตุเป็นผู้ที่ทักพระวินัยทรเป็นคนทักแล้วก็จะให้พระพิตุรูปใดรูปหนึ่งบอกก็ได้หรือว่าจะให้สั ม, มนเนธอุบาสกหรืว่าอุบาสิกาก็ตามเป็นผู้ที่บอกก็ได้นะ พรวินัยทอนเพื่อระบุนิมิตอย่างนี้อีกว่าเอโสปพโตนิมิตต่างภูเขานั่นเป็นนิมิตแต่จะ ก, กําหนดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะทําภูเขานั่นให้เป็นนิมิตจากทําภูเขานั่นให้เป็นนิมิตทําภูเขานั่นเป็นนิมิตแล้วจงทําภูเขานั่นเป็นนิมิตแล้วภูเขานั่นจะเป็นนิมิตจากเป็นนิมิตดังนี้ใช้ไม่ได้ก็คือกล่าวประอดีตการหรือว่า พนากฎการไม่ได้จะต้องใช้ปัจจุบั น, นการแม้ในนิมิตทั้งหลายมีศิลาเป็นต้นก็ในนี้เหมือนกันก็พระวินัยพรทักนิมิตไปโดยลําดับอย่างนี้ว่าในทิศตะวันออกในทิศตนออกเฉียงใต้ในทิศใต้ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ในทิศตะวันตกในทิศตะวันตกเฉียงเหนือในทิศเหนือในทิศตนออกเฉียงเหนือมีอะไรเป็นนิมิต เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งตอบว่าอุทการพันเตน้ำเจ้าข่าพระวิเนทรพึงระบุว่าเอตังอุทการ น, นิมิตตังน้ำนั่นเป็นนิมิตแล้วอย่าหยุดในทิศนี้พึงทักซ้ําอีกว่าปุรัตถิมายะนิสายาเก่งนิมิตตังในทิศตะวันออกมีอะไรเป็นนิมิตเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งตอบว่าปัปคโตพันเตภูเขาเจ้าข่าพึงระบุว่าเอโสปัปคโตนิมิตตัง ภูเขานั่นเป็นนิมิตเพิ่งกำหนดนิมิตที่ได้กําหนดไว้ทีแรกอย่างนี้แล้วจึงค่อยหยุดอันนี้ก็จะได้ซ้ํากับนิมิตเดิมก็เชื่อมต่อกันจึงอยู่ด้วยการกําหนดยอย่างนี้นิมิตกับนิมิตจึงจัดว่าเชื่อมถึงกันนิมิตทั้งหลายในถีมานั้นแม้กําหนดครั้งเดียวก็เป็นอันกําหนดไว้ดีแล้วกําหนดครั้งเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ในอันทักะอัตฉริยะแก้ว่า เมื่อจะผูกมวลตนสีมาต้องกําหนดนิมิตสามครั้งเพราะฉะนั้นก็ต้องวนรอบมากำหนดสามครั้งนะนะแต่ว่าอันนี้เป็นความเห็นในอันท่าอัตกถาบัดนี้พึงทราบวินิจฉัย ใ, ในนิมิตทั้งหลายที่ใช้เป็นนิมิตได้มีปภัตตาณิมิตก็คือใช้ภูเขาที่เป็นนิมิตเป็นต้นอย่างนี้เข้ามาวินฉัย ใ, ในนิมิตตั้งแต่ยาง ก็คืออะไรบ้างภูเขาก้อนหินปา่าต้นไม้ขนทามจอมปลวกแม่ดม้ำแล้วก็น้ำแปดอย่างสําหรับภูเขาภูเขาก็จะมีสามชนิดคือภูเขาดินร้วนอย่างหนึ่งภูเขาศิลาร้วนอย่างหนึ่งภูเขาศิลาปนดินอย่างหนึ่งภูเขานั้นใช้ได้ทั้งสามชนิดจะเป็นภูเขาชนิดไหนก็นแล้วแต่ถ้าขึ้นมาเป็นภูเขาก็ใช้ได้หมด แต่กองทรายใช้ไม่ได้ภูเขานอกจากนี้ที่มีขนาดเล็กกว่าช้างก็ใช้ไม่ได้ตั้งแต่เท่าช้างจนถึงภูเขาสินเนรุใช้ได้ถ้าจะเอาภูเขาเป็นมิตภูเขานั้นเล็กที่สุดคือเท่าช้างใหญ่สุดไม่มีประมาณเท่าเขาสิเนรุก็ได้ถ้ามีภูเขาสี่เทือกในสี่ทิศหรือมีสามเทือกในสามทิศ แม้จะสมมติสีมาด้วยปรับพระตนิมิตทั้งนั้นด้วยภูเขาสี่เทือกหรือสามเทือกนั้นก็ควรแต่จะสมมุติด้วยนิมิตเพียงสองหรือว่าเพียงหนึ่งไม่ควรภูเขามีสี่เทือกหรือวสามเทือกในสามทิศสี่ทิศแต่ภูเขานั้นต้องไม่เนื่องกันถ้าเนื่องกันมันก็กลายเป็นนิมิตอันเดียวกันหมดใช้ไม่ได้ถ้าสมมุติด้วยภูเขาทั้ง สี่ทศหรือว่าสามทิศเลยก็ได้แต่ว่าสงทิศเท่านั้นไม่ได้นะเพราะว่านิมิตมันจะไม่เชื่อมกันมันจะไม่มีบริเวณแม้ในภาษาหนนิมิตคือก้อนหินเป็นต้นนอกจากปรพภะตานิมิตนี้ก็มีนายเหมือนกันเพราะเหตุนั้นเมื่อจะทําภูเขาให้เป็นนิมิตควรถามว่าเนื่องเป็นอันเดียวกันหรือไม่เนื่องเป็นอันเดียวกันถ้าเนื่องเป็นอันเดียวกันไม่ควรใช้ด้วยว่าแม้กมําหนดภูเขานั้นเป็นนิมิต สีทิศหรือทั้งแปดทิศย่ยอมเป็นอันกําหนดแล้วเพียงมิมิตรเดียวเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นอันเดียวกันเพราะเหตุ น, นั้นภูเขาที่ตั้งโอกรอบวัดที่อยู่โดยสันฐานดังกงจักรอย่างนั้นกงจักรก็คือวงกลมๆนั่นเองควรกําหนดในทิศเดียวในทิศอื่นๆพึงการภูเขานั้นไว้ภายนอกกําหนดมิมิตรชนิดอื่นภายใน หากว่าประสงค์จะทำภูเขาเซี่ยวหนึ่งหรือกึมหนึ่งไว้ในภายในสีมาอยากกาหนดภูเขาประสงค์จะทำขอบเขตใดไว้ภายในพึงกาหนดนิมิชนิดใดชนิดหนึ่งมีต้นไม้และจอมปลวกเป็นต้นที่เกิดณภูเขานั้นเองข้างนอกแห่งขอบเขตเท่า น, นั้นหากประสงค์จะกันเอาภูเขาทั้งหมดประมาณยอหนึ่งหรือสองยอดไว้ภายในพึงกาหนดต้นไม้หรือจอมปลวกเป็นต้น ซึ่งเกิดณภาคพื้นข้างนอกภูเขาเป็นลิมิตถ้าจะเอาภูเขาเป็นลิมิตก็ได้ทิดเดียวถ้าเกิดเนื่องถึงกันหมดแต่ถ้าเกิดไม่เนื่องกันในสีทิศก็สามารถที่จะกําหนดเอาภูเขาทั้งสี่ทิศนั้นเป็นลิมิตได้ถ้าจะกันภูเขาไว้ภายในก็ต้องไปกําหนดวัตถุอื่นจะเป็นชอมปลวกหรือว่าก้อนหินหรือว่าต้นไม้ไว้ภายนอกกับภูเขาไว้ภายในก็ได้อันนี้เป็นนิมิตภูเขาจะ่เรียกว่าปัปปะตานิมิต วินิจฉัยในภาษาหนนิมิตแม้ก้อนเหล็กก็นับว่าศิลาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นศิลาชนิดใดชนิดหนึ่งก็ควรแต่เมื่อว่าโดยขนาดขนาดเท่าช้างนับเป็นภูเขาไปเพราะฉะนั้นศิลาขนาดเท่าช้างนั้นจึงไม่ควรถ้าเท่าช้างนั้นก็ต้องเป็นปัพปะตานิมิตไปแต่ว่าต้องเล็กกว่าช้างส่วนศิลาขนาดเท่าโคเขืองคือโคตัวใหญ่ๆนี้ใช้ได้ และกระบือเคืองๆใช้ได้โดยกาหนดอยา่างต่ำขนาดเท่าก้อนน้ำอ้อยหนัก32ปัาละหอ2ปาละนี่ก็ใช้ได้ก็หลายกิโลเหมือนกันนะนะย่อมกว่านั้นหรือแม้อิดขนาดใหญ่ก็ใช้ไม่ได้ถ้าเล็กกว่านี้เอาขนาดนะไม่ได้เอน้ำหนักก็คือน้ำอ้อยงบหนักนะ32ปาละเป็นขนาดเท่าไหร่ทางขนาดแค่ไหนก็เอาก้อนหินขนาดเท่านั้นแหละ ถ้าเล็กกว่านี้ใช้ไม่ได้หรือว่าใช้อิฐขนาดใหญ่ก้อนอิฐก็ใช้ไม่ได้เพราะอิฐก็คือดินเผานั่นเองใช้ไม่ได้แม้กองศิลาที่ไม่นับเข้าในนิมิตก็ใช้ไม่ได้ถ้าเป็นกองก้อนหิ น, นเล็กๆก็ไม่ได้เหมือนกันไม่จําต้องกล่างถึงกองดินหรือว่ากองทรายศิลาดาบที่ราบเสมอพื้นดินคล้ายวงลานก็ดี ศิลาดาษที่ตั้งสูงพ้นพื้นดินคล้ายต่อกระดีศิลาแม้นั้นถ้าได้ขนาดก็ใช้ได้เหมือนกันขนาดตั้งแต่ชั้นสองปันละขึ้นไปย้น ถ, ถึงโ ค, โค เ, งเครื่องกระเบือเครืองเหล่าเนี้ยศิลาดาษแม้ใหญ่เกินไปย่อมนับว่าเป็นศิลาด้วยเพราะฉะนั้นท่าประสงค์จะ ก, กันขอบเขตอันหนึ่งแต่ศิลาดาษขนาดใหญ่ไว้ภายในสิมา อย่างกำหนดสิดาดาษนั้นเป็นลิมิตพึงกําหนดศิลาอื่นเหลือศิลาดาษนั้นหากําวัดที่อยู่บนศิลาดาหรือศิลาดายื่นไปท่ามกลงวัดที่อยู่สีดาดาเห็นปานนี้ใช้ไม่ได้คือจะเอาศสีดาดาทาเป็นลิมิตแต่ว่าเอาวัดไปตั้งอยู่บนศิลาดานั้นก็ไม่ได้นะเพราะถ้ากําหนดศิลาดาษนั้นเป็นลิมิตวัดที่อยู่ย่อมอยู่บนลิมิต และธรรมดานิมิตต้องอยู่ภายนอกสีมาแในวัดที่อยู่ก็ถึงภายนอกสีมาศิลาดาตั้งโอบรอบวัดที่อยู่ควรกําหนดเป็นนิมิตในทิศเดียวอย่ากําหนดในทิศอื่นนี้ก็เป็นเรื่องของภาษาดนิมิตก็คือก้อนหินศิลาดาตาก็เรียกเป็นก้อนหินได้เหมือนกัน ว, ว, วินิจฉัยคําว่าวันดนิมิตก็คือป่า ดงหญ้าหรือว่าป่าไม้มีต้นตาลและมะพร้าวเป็นต้นที่มีเปลือกแข็งใช้ไม่ได้ไม่มีแก่นนะพวกนี้ยมีเปลือกแข็งเท่านั้นเพราะนั้นมีใช้ไม่ได้หรือว่าจะเป็นดงหญ้าก็ตามนี่ไม่ได้แต่หมู่ไม้มีแก่นข้างในเป็นต้นว่าไม้สากับและไม้สาระหรือแม้หมู่ไม้ปนไม้มีแก่นก็ใช้ได้คือถ้าเป็นหมู่ป่าไม้ที่มีไม้แก่นข้างในก็เอาใช้เป็นวัณณิมิตได้ ก็ป่าไม้นั่นแหละโดยกําหนดอย่างตา่ำแม้เพียงสี่ห้าต้นก็ใช้ได้ย่อนกว่านั้นใช้ไม่ได้ตั้งแต่ต้นไม้ที่มีแก่นในนั้นตั้งแต่สี่ห้าต้นขึ้นไปเนี่ยก็เรียกว่าถ้าจะเามาเป็นนิมิตเนี่ยก็เรียกว่าวาดานิมิตนะแต่ถ้าเป็นรุขขานิมิตก็ใช้ต้นไม้ต้นเดียวความแตกต่างกันของวาดานิมิตกับรุขขานิมิตถ้ามากกว่านั้นแม้ตั้งร้อยยอดก็ใช้ได้คือมีต้นไม้เป็นแถวแนวไปถึงร้อยยอดสามารถเอามาทาเป็นนิมิตได้ ถ้าทำวัดที่อยู่ไว้กลางป่าไม่ควรกำหนดป่าเป็นลิมิตแม่ประสงค์จะกันเอาป่าส่วนหนึ่งไว้ภายในสีมาอย่ากำหนดป่าเป็นลิมิตพึงกำหนดต้นไม้หรือศีดาเป็นต้นในป่า น, านั้นเป็นลิมิตป่าที่ตั้งล้อมวัดที่อยู่พึงกำหนดเป็นนิมิตในทิศเดียวอย่ากำหนดในทิศอื่นเพราะว่ากำหนดในทิศอื่นมันก็เนื่องเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าเป็นป่า ที่ไม่เนื่องเป็นอันเดียวกันทั้งสี่ทิศเลยจะ ก, กําหนดป่าเหล่านั้นเป็นนิมิตทั้งหมดก็ได้แต่ถ้าเป็นป่าเนื่องกันนี้กําหนดทิศเดียวก็ไม่ให้เปกําหนดทิศอื่นวินิจฉัยในรูปขนิมิตต้นไม้มีเปลือกแข็งเช่นต้นตาลและต้นมะพร้าวเป็นต้นใช้ไม่ได้ต้นไม้มีแก่นข้างในยังเป็นอยู่หมายถึงว่ายังไม่ตายโดยที่สุดสูงเพียงแปดนิ้ววัดโดยรอบ แม้ลําต้นเท่ากับเหล็กจานก็ใช้ได้ย่อมกว่านั้นใช้ไม่ได้โตกว่านั้นขึ้นไปแม้ต้นใสที่ขึ้นงอกงามไปตั้งสิบสองยอก็ควรเพราะฉะนั้นขนาดต้นเล็กที่สุดแค่สูงเพียงแปดนิ้วแล้วก็ขนาดลําต้นเท่าเหล็กจานเท่ากับปากาเนี่ยนะมันใช้ได้นะต้นไม้ที่เขาเพาะพืชให้งอกงามในภาชนะทั้งหลายมีกระบอกและกระถางเป็นต้นแม้ได้ขนาดก็ใช้ไม่ได้ แต่จะเอาออกจากกระบอกและกระถางเป็นต้นนั้นแล้วปลูกลงในพื้นดินแม้ในขณะนั้นแล้วทำซุ้มรดน้ำกำหนดเป็นนิมิตก็ควรจะเอามาปลูกในขณะนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันการแตกรากและกิ่งใหม่ไม่ใช่เหตุแต่การแตกรากและกิ่งนั้นย่อมเหมาะสำหรับต้นไม้ที่เขาตัดลาต้นเพราะคือถ้าเป็นต้นไม้ที่ตัดลาต้นเพราะจะเอามาทาเป็นนิมิตนี่ต้องมีราก มียอดงอกแล้วถึงจะมาทำได้อันพระวินัยทอนเมื่อกำหนดระบุว่าต้นไม้หรือว่าต้นสากระหรือว่าต้นสาระทังนี้ก็ใช้ได้แต่กำหนดต้นไม้ที่เนื่องเป็นอันเดียวกันเช่นต้นไทรที่ขึ้นงามไพศาลเป็นนิมิตในทิศหนึ่งแล้วจะ ก, กำหนดในทิศอื่นอีกไม่ควรถ้ามีต้นไม้หลายๆต้นที่มันงอกถึงกันกลิ่ง ม, มันละ ในลายในทิศนี้กำหนดทิศหนึ่งแล้วก็ไม่ควรจะไปกำหนดในทิศอื่นวินิจฉัยในมัรคานิมิตทางทั้งหลายมีทางป่าทางนาทางแม่น้ำทางเหมืองเป็นต้นใช้ไม่ได้ทางเหล่านี้นี่ไม่ได้เป็นทางป่าหรือว่าทางไปนาทางแม่น้ำทางเหมืองนี่ใช้ไม่ได้แต่เฉพาะทางเดินเท้าหรือว่าทางเกวียนซึ่งผ่านไปสองสามระยะบ้านจึงใช้ได้ก็คือเขาใช้เดินทางกัน ใช้เดินทางจะเป็นทางเท้าหรือว่าเป็นทางเกวียนสมัยนี้ก็เป็นทางรถก็ได้เหมือนกันส่วนทางเดินเท้าใดแยกออกจากทางเกวียนแล้วกลับลงสู่ทางเกวียนต้นเองอีกก็ดีทางเดินเท้าและทางเกวียนเหล่าใดใช้ไม่ได้ก็คือเขาเลิกใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วก็ดีทางเหล่านั้นใช้ไม่ได้คือเอามาทำเป็นบาค์กนดมิตไม่ได้ ถ้ทาทั้งหลายที่ท่อค้าเดินเท้าและพ่อค้าเวียนยังใช้เดินอยู่เสมอจึงใช้ได้ก็ยังไม่ได้ทอดทิ้งเยังใช้เดินทางสัญจรจาริกกันไปมาอยู่จึงเอามาทำเป็นมาร์านิมิตได้ถ้าทางสองแพ่งแยกจากกันไปแล้วภายหลังบรรจบเป็นทางเดียวกันเช่นทุกเวียนใช้ทุกเวียนทางนั้นเพิงกำหนดทางที่แยกเป็นสองแพร่งหรือที่บรรจบเป็นนิมิตครั้งเดียว แล้วอย่า ก, กําหนดอีกก็คือเอาเป็นมัคณิมิตทางเดียวเท่านั้นอย่าไปกําหนดเพราะว่ามันเนื่องถึงกันหมดเพราะลิมิตนั้นเป็นลิมิตที่เนื่องเป็นอันเดียวกันถ้าทางสีง่แฉ้มอ้อมรอบวัดอยู่แล้วแยกไปในทิศทั้งสี่กำหนดทางหนึ่งตรงกลางแล้วจะ ก, กําหนดอีกทางหนึ่งไม่ควรเพราะนิมิตนั้นเป็นลิมิตที่เนื่องเป็นอันเดียวกันถ้าเป็นทางสีง่แฉ้มแล้วก็ วกไปอ้อบมาแล้วก็มันจบถึงกันกําหนดนิมิตในทิศหนึ่งแล้วก็พอไม่ต้องกําหนดทิศอื่นเพราะมันเรื่องในอันเดียวกันหมดแต่จะกําหนดทางที่ผ่านทะยานมุมไปเป็นนิมิตในด้านอื่นควรอยู่แต่ถ้ามีถนอนอื่นมาผ่านทะยงมุมไปแล้วก็ไม่เนื่องไม่เนื่องกับทางที่จะทักก็ใช้ได้อยู่เป็นทางที่ผ่านมาทะยานมุมไม่เนื่องกันอันเดียวกันนี้ก็ใช้ได้ ส่วนทางที่ลัดผ่านท่ามกลางวัดที่อยู่ไปไม่ควรกำหนดเพราะเมื่อกำหนดแล้ววัดที่อยู่ย่อมอยู่บนนิมิตถ้าที่สุดท้ายจะทำทางล้อด้านในแห่งทางเกวียนให้เป็นนิมิตทางย่อมอยู่ภายนอกสี่มาถ้าจะทาทางล้อด้านนอกให้เป็นนิมิตทางล้อด้านนอกเทียวย่อมอยู่ภายนอกสี่มาทางที่เหลือนับเข้าภายในสีมา อันพระินัยทอนพูดจะ ก, กําหนดทางเป็นนิมิตสมควรกําหนดโดยชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาชื่อสิบอย่างคำว่าทางนี้มีชื่อถึงสิบอย่างนะว่ามารโคก็แปลว่าทางปันโถก็แปลว่าทางเช่นจุลบรรโถจุลบรรโถหนี่นะก็ผู้เกิดในหนทางปัทโธปัทโชเป็นต้นทางที่ไปได้รอบวัดมีอยู่ โดยสันฐานดังครูกำหนดเป็นนิมิตในทิศหนึ่งแล้วจะ ก, กำหนดในทิศอื่นไม่ควรเพราะฉะนั้นให้กำหนดทิศเดียววิธิใชยในวัมมิการนิมิตก็คือจอมปลวกโดยกำหนดอย่างเล็กที่สุดแม้เกิดในวันนั้นสูง8นิ้วขนาดเท่าเขาโคก็ใช้ได้ถ้าเล็กขนาดแค่เขาโคแต่ว่าสูงได้8นิ้วนี่ก็เกิดในวันนั้นก็ใช้ได้แล้วย่อมกว่านั้นใช้ไม่ได้ เพื่องกว่านั้นขึ้นไปแม้เท่ากับภูเขาหิมะวันตักก็ใช้ได้ใหญ่แค่ไหนก็ตามถ้เป็นจอมปลวกแต่ว่าเล็กต้องไม่ต่ากว่าแปดนิ้วแต่จะกําหนดจอมปลวกที่ติดกันเป็นพืชเดียวตั้งล้อมรอบวัดอยู่เป็นมิติในทิศหนึ่งแล้วจะกําหนดในทิศอื่นอีกไม่ควรก็ให้เอาเป็นทิศเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นจอมปลวกในสี่ทิศที่ไม่เนื่องเป็นอันเดียวกันกําหนดทั้งสี่ทิศก็ได้ ไม่ได้ใช้ในนาทีนิมิตในสมัยแห่งพระราชาผู้ทรงธรร ม, มเมื่อฝนตกติดติดกันอย่างนี้คือทุกกึ่งเดือนทุกสิบวันทุกห้าวันพอฝนหายแล้วกระแสะแห่งแม่น้ําใดขาดแห้งแม่น้ํานี้ไม่น้ำว่าเป็นแม่น้ําเพราะว่ามันแห้งไปแล้วไม่มีน้ําะำนะขนาดฝนตกบ่อยๆอย่างนี้ยังแห้งพอฝนหยุดตกอะ่ะ ไม่มีน้ําเหลืออยู่แต่ว่าที่ตรงนั้นไม่ใช่แม่น้ําแต่ในคราวฝนเช่นนี้กระแสแห่งแม่น้นําใดไหลไม่ผานตลอดฤดูฝนสี่เดือนลึกพอที่จะเปียกอันตรวาศกก็คือผ้านุ่งของนางพิษุณีผู้ไม่ยกอันตรวาศกที่นุ่งได้ปริมาณทนสามคือนุ่งห่มได้ปริมาณทนสามก็คือข้างบนก็ปิดะดระข้างล่างก็ปิดแค่น ตามลักษณะที่มาแล้วในเสขียวัตรลุยข้ามแม่น้ำนะที่เป็นท่าหรือไม่ใช่ท่าก็าตามแม้ลำน้ำนี้นับว่าเป็นแม่น้ำที่จะเป็นแม่น้ำก็คือจะมีน้ำน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าถ้ามันสามารถที่จะฝนตกอย่างนี้ก็คือทุกครึงเดือนหรือว่าสิบวันห้าวันแล้วพอฝนหยุดแล้วน้าก็จะมีน้อยพอที่จะเปรียกอันตรวาศ ของนางพิภูณีที่นุ่งห่มได้เป็นปริมณฑลสามถ้าลุยน้ําข้ามไปแล้วก็เปรียกชายสบงได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นแม่น้ําจะทําเป็นสีมาได้เมื่อจะผูกสีมาแม่น้ํานั้นเป็นนิมิตได้เอาแม่น้ำนั้นเป็นนิมิตไ ด, แไ ด, ด, ได้แต่ไม่ใช่ลงไปผูกสีมาในแม่น้ําแต่ว่าเอาแม่น้ำนั้นเป็นนิมิตในการไปสู่ฝั่งแม่น้ําของนางพิภูณีก็ดี ในการทําสังกรรมมีอุโบสถเป็นต้นก็ดีด้วยการสมมตินาผีปลาฤทีมาก็ดีประสองแม่น้ําชนิดนี้แหลจะมีติคาบทของน้ำทฤษฎีแล้วนะว่าถ้าไปสู่ฝั่งแม่น้นํามีต้องอับบันหนักอันบันสำคัญพิเศษแม่น้ํานั้นก็เป็นแม่น้ําชนิดนี้แหละก็คือมีน้ําไหลพอที่จะเปียกสบงของทิฤษฎีได้หรือว่าการทําสังกรร ม, มอุโบสถในแม่น้ําเนี่ย ก็แม่น้ำก็ต้องเป็นแม่น้ำในลักษณะนี้นั่นแหละสมมติอธีปารติมาหมายถึงว่ามีแม่น้ำกระหว่างเป็นฝั่งก็ใช้แม่น้ำในลักษณะนี้ก็แม่น้ำใดโอบรอบวัดที่อยู่โดยสันฐานดังทูปเวียนก็ดีโดยสันฐานดังคู ก, ก็ดีคล้ายทางกําหนดแม่น้ำนั้นเป็นนิมิตในทิศหนึ่งแล้วจะกกําหนดในทิศอื่นอีกไม่ควร ว่ามันก็เรื่องเป็นอันเดียวกันแม้ในแม่น้ำสี่สายซึ่งผ่านตัดกันและกันไปในสี่ทิศแห่งวัดที่อยู่ก็มีในนี้เหมือนกันก็คือถ้าแม่น้ําตัดผ่านกันสมมุติในทิศใดทิศหนึ่งแล้วก็จะเป็นกนําหนดทิศอื่นนั้นไม่ได้แต่จากกําหนดแม่น้ําทั้งสี่สายซึ่งไม่เชื่อมต่อกันเป็นลิมิตนั้นใช้ได้แม่ น, น้ำสี่สายก็วกไปวนมาก็ไม่ได้ติดต่อถึงกันเลย ใช้เป็นนิมิตทั้งสี่ิก็ได้เหมือนกันถ้าชนทั้งหลายปักหลับเรียมกันเป็นเหมือนทำรั้วกั้นกระแสน้ำด้วยถาวัรและใบไม้เป็นต้นและน้ำล้นท่วมทำนบไหลไปได้จะทำให้เป็นนิมิตควรอยู่เมื่อเขาทำทานบไม่ให้น้ำไหลแม่น้ำที่ไม่ไหลไม่ควรทำให้เป็นนิมิตแม่น้ำที่จะเอามาทำเป็นนิมิตนี้ต้องเป็นแม่น้าที่ไหลเท่านั้น ถ้าน้ำที่ไม่ไหลจะใช้เป็นอุทกอาศนิมิตนี้ได้เหมือนกันออุทกอาศนิมิตนี้เป็นบอ่อหลุมเล็กๆที่เอาน้ําตักใส่ลงไปแล้วก็สวดกรรมวาจาน้ํานั้นไม่เหือดแห้งไปเมื่อเวลาสวดกรรมวาจาศ ก, ก็ใช้เป็นอุทกอาศนิมิตได้แต่ว่าเป็นน้ําที่ขังอยู่ใหญ่แค่ไหนก็ใช้เป็นอุทกาศนิมิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแม่น้ําที่ไม่ไหลไม่ควรทําให้เป็นนิมิตในที่ซึ่งน้ําไหล ทำให้เป็นนาทีนิมิตในที่ซึ่งน้ำไม่ไหลทำให้เป็นอุตก่นิมิตควรอยู่แต่แม่น้ำที่ไม่ไหลเพราะขาดน้ำในคราวฝนแล้งหรือในฤดูร้อนก็ใช้ได้ถ้าฤดูฝนนี่ต้องมีน้ำไห้ขาดแต่ถ้าเป็นฤดูแรงหรือว่าในฤดูร้อนเนี่ยด้ำนั้นแห้งไปนี่ก็ยังใช้ตรงนั้นเป็นแม่น้ำที่เอามาเป็นนิมิตได้ในว่านาทีนิมิต ชนทั้งหลายชักลำรางไขน้ำมาแต่แม่น้ำใหญ่ลำรางนั้นเป็นเช่นกับแม่น้ำเขินไหลอยู่เป็นนิดให้สำเร็จเข้ากล้าสามคราวถึงน้าไหลไปได้ก็จริงแต่ก็ไม่ควรทำให้เป็นนิมิตเพราะว่าเป็นการสร้างขึ้นส่วนลำรางอันใดในชั้นเดิมแม้เขาขุดชักมาจากแม่น้ำใหญ่ในการอื่นสาะฝั่งแห่งแม่น้ากลายเป็นแม่น้าไปไหลไปได้เอง ตามทางที่เขาขุดชักมานั่นแหละโดยการต่อไปเกิืนกลายไปด้วยสัตว์น้ํามีจระเข้เป็นต้นเป็นแม่น้ําที่จับพึงสำจานไปน่า ย, ยเรือเป็นต้นจะทําลำรางนั้นคือที่กลายเป็นแม่น้ําแล้วให้เป็นลิมิต ส, สมควรอยู่ถ้าเขาไปขุดชักเป็นลำรางมาภายหลังกลายเป็นแม่น้ําไปอันนี้ก็ใช้เป็นนาทีนิมิตได้เหมือนกันวินิจฉัยในอุทกกรริมิตนิมิตข้อที่แปด ในที่ซึ่งไม่มีน้ำจะตักน้ำใส่ให้เต็มในเรือก็ดีในภาชนะมีตุ่มเป็นต้นตีแลกกำหนดให้เป็นอุตกระดิเมตรไม่ควรน้ำที่ถึงแผ่นดินเท่านั้นจึงใช้ได้ก็น้ำถึงแผ่นดินนั่นแหลเป็นน้ำไม่ไหลขังอยู่ในที่ทั้งหลายมีบอ่อสั์โบครณีบึงหรือว่าสักเกิดเองและทะเลสาบเป็นต้นส่วน้าในแม่น้าลึกและ คลองไข่น้ำเป็นต้นซึ่งไหลใช้ไม่ได้ถ้าจะทําเป็นนาทีสีมาต้องใช้เป็นน้ําที่ไหลแต่ถ้าเป็นอุทธกาลนิมิตนี้ต้องเอาน้ําที่ไม่ไหลแต่ในอันทกษะอัตถกถาแก้ว่าน้ําที่ซึมต้องตักขึ้นมาในบ่อเป็นต้นซึ่งลึกไม่ควรทําเป็นนิมิตคํานั้นท่านกล่าวไว้ไม่ชอบเป็นแต่เพียงความเห็นส่วนตัวเท่านั้นอันน้ําที่ขังอยู่โดยที่สุด แม้ในแอ่งที่สุกรขุดไว้กว็ดีหมูประขุดเป็นแอ่งไว้น้ําขังอยู่ท่า น, นก็เอามาทํำเป็นนิมิตได้ในหลุมสําหรับเล่นของเด็กชาวบ้านก็ดีน้ําที่เขาขุดหลุมในแผ่นดินแล้วเอาหม้อตักมาใส่ให้เต็มในขณะนั้นก็ดีถ้าขังอยู่จนถึงสวดกรรมวาจาจบได้จะน้อยหรือมากก็ตามทีย่อมใช้ได้เพราะฉะนั้นใครจะทำเป็นอุปทักษ์นิมิตต้ขุดหลุมตรงนั้นเลยเอาน้ํามาใส่ให้ขังเอาไว้ ธาตุน้ำ น, นั้นยังอยู่โจนตังนน้งสวดกรรมวารารจบก็ใช้เป็นอุปสรรคนิมิตได้เพราะว่าเวลาที่ทัตนิมิตเรียบร้อยแล้วตัวมฤษีมาไปแล้วเนี่นะนิมิตนั้นจะหายไปยังไงก็แล้วแต่มีมาก็ยังคงเดิมไม่ได้เสื่อมหายไปด้วยและควรทํากองศิลาและกองทรายเป็นต้นเสาศิลาหรือเสาไม้ไว้ในที่นั้นเพื่อทําความหมายว่าเป็นนิมิตเพราะว่าน้ําอาจจะแห้งไป ก็ทำนิมิตอันใหม่ขึ้นมาก็ได้ที่ตุจะทําเองหรือว่าใช้ผู้อื่นให้ทํากองศิลาเป็นต้นนั้นก็ควรแต่ในลาภาศีมาไม่ควรทําลาภาศิมาก็หมายถึงศีมาที่ให้มีราบเสมอกันก็คือจะมีหลายอยู่หลายวัดก็ตามแต่ถ้ามาตั้งกติกากันว่าเป็นลาภาศีมาร่วมกันแล้วก็มีราบในวัดไหนก็ต้องถึงวัดอื่นด้วยเพราะฉะนั้นในลาภาศีมานี้ไม่ควรที่จะให้ ใครใครไปทําเครื่องหมายอะไรไว้ส่วนสมาณะสังวาสกะสีมาก็คือสีมาที่มีสังวาเสมอกันย่อมไม่ทําความเบียดเบียนใครๆย่อมสําเร็จเฉพาะวินัยกรรมของที่ตุทั้งหลายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในสมาณะสังวาสกะสีมานี้จึงควรทําก็คือให้ใครไปทําเครื่องหมายให้ไปทําอะไรไว้เป็นเครื่องหมายว่าตรงนี้เป็นมิมิทีมานะแต่เป็นเฉพาะสมานสังวาสกะสีมา ถ้าเป็นลาภสิมานี้ไม่ควรให้ใครไปทำเครื่องหมายไว้เดี๋ยวจะไปเบียนเบียนลากของคนอื่นเขาเรื่องของการสมมติสิมาก็เอาไว้ต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็หมดเวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่รักษาพระธรรมวินัยเพื่อจะล ง, งพระศาสนาให้คำสอนมุนสลิมเจ้ายั่งยืนสืบไปจนถึงห้าพันปีแลขอให้ท่านได้อา น, นิสงส์ของการรักษาพระธรรมวินัยนี้ เป็นประจัยเพื่อกูลให้ได้บรรลุมรรผลนิพพานตรบนาบใดที่ยังไม่ได้ปรินิพพานก็อขอให้เกิดในสุปติภูมิอย่าได้ไปสู่อามัญภูมิได้พบ ก, กัลยาณมิตรได้ฟังพระสัทธรรมปฏิบัตรริตามสมควรแต่รม จ, จนกระทั่งประธรรมที่สุดแห่งวัฏฏะทุกได้โดยทั่วกันด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ